พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุธ ร, รมสังฆายนาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้น ขอพระเถระโปรดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิดลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะจึงคัดเลือกพระอรหันต์ได้499รรูปภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านพระอนอนท์นี้ยังเป็นเสขะบุคคลก็จริง แต่ไม่ลำเอียงเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวอันหนึ่งท่านพระอานนท์นั้นได้ศึกษาพระธรรมและวินัยเป็นอันมากในสำนักของพระผู้มีพระภาคถ้าเช่นนั้นขอพระเถระโปรดเลือกท่านพระอานนท์ด้วยท่านพระมหากรสปะจึงเลือกท่านพระอานนท์